น้ำไหลลงมาใส่พื้นซาลาสเนี่ยบาดลงพอมาเปงโอ่พ อ, อ ไ, ได้แตลูกหลานเนีเอากระลมังมาห้องวะหมื่ว่านเอากระลมังมาล่องเต็มไปหมดนั่นก็บน้ำหยดการา ม, มันล้นลงไปทั้งไตพื้นซาลาลงไปมันเป็นยิบซ้าได้บาดเลยอ่าก็มันลดลงจากแปนทังเทิงนี่ก็ลองไปกรงทืบยิบซ้ายิบซ้าก็จิต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 เป็นเท่าไหร่ละยี่สิบามสิบปีเขามาแเลยเดนับนับยิ่งมอ่งโดลายปันใดวะเ <c oughs> ี่ตีมุ่งแท้ๆกับปีสองแปดสองแปดสองเก้าแล้วปีสามศูนย์แปลว่ามุ่งลังค่าห้อเนี่ประมาณปีสองแปดแต่สาลาห์ลงห้าในแล้วปีสามศูนยะ์กั น, นับมือมุ่งมากกับปีสองแปดนี่กับปีห้าห้า ใส่เวลาทนเติบอยู่แต่สีทั้งเทิงนหลอนหมดแหละแต่ทั้งไตเขาเบิกยังดีอยู่แต่ปัญหาคอยังทีหลวงพอ่อเดบอฟังนะลิงญามพระบรยูนนะญาพระปิปินธบาทพวกญาติโยมม้ามันกับญาติเลยพวกญาติโมยมญาติตะกูบาท่านนะบางที่ปุ๊ ป, บปับลุ่งผลโดดมาลกโงงแล่น่ะบางที่ปุ๊ปับขึบบบ้นม้าดังผโดดม้าขึ้นทังหลัง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 เกือบสองลอยตัวว่แล้วก็เอาไปปล่อยผู้หลวงจย่าวัดเล่ยนี่อีกลอยก็ตัววะก็เลยมัดยังเหลือหมูปลาอยู่บอกกี่ตัวด้วยเนี่แต่กอนโว้ยมันบพญานข้นล้ะพญานพระแต่เดี๋ยวเหวี่ญยานพระแล้วพระเห็นไอ้แล่นหักไงแล้วเนาะตะกอนมันเคยอยู่กับเ่าะมนโว้เคยยานพอต่อมาคุบ่าวบรายบรายบรายมันมีแต่แขว่งซุงล่วงเสียงเลี่ยงธรรมดหมูปลานี่ย หมาอาเซียนเสียนหลวงพอ่อนี่ตายยอดมั่นแหละมันควิดบาเดียวเทนั้นแหละตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยหงายทวนเลยที่แรกก็ทัพทายจะไปกัดหมูแหละมันบเป็นหมูธรรมดาได้มันหมูป่าบัเป็นหมูหมูได้หมูป่าลไปเออไปกัดมันก็ควิดบาเดียวเท่านั้นแะงายหงายอบึงหูจะรู้เออคอก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 ปู่ย่าตายายต้นตระกูลของพวกเราได้ปกป้องประเทศชาติเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีฮดีรูออ้จักไหมดีเพราะพวกเราได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกคดีธรรมปริญัตีโทเอกกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมจริยธรรมก็รู้อยู่แล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้ว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 ดาวพระอังคารเป็นอย่างนั้นดาวแต่ละดวงเป็นอย่างนั้นไนงะแต่ขนาดดวงดาวในท้องฟ้านะก็ยังยังคนคว้าได้ไม่กี่ดวงฮนะดาวในท้องฟ้าเนะี่ยดวงที่อยู่ไกลที่สุดเนีย่ยกระใหญ่ที่สุดก็ยังมีอีกอที่มีอุณหภูมิที่มนุษย์จะอยู่ได้มีหรือเปล่ามันต้องมีเนะพราะดาวท้องฟ้าเยอะลือเกินนะ